ตายดีคือการตายไปพร้อมความสว่างไม่เกี่ยวกับภาพภายนอกที่คนเห็นถ้าเลือกได้ทุกคนอยากเลือกตายดีทุกคนอยากเลือกตายอย่างมีเกียรติเมื่อเห็นความตายของคนอื่นบ่อยๆเราจะแอบคิดว่าอยากตายแบบคนนั้นไม่อยากตายแบบคนนี้แต่ถ้าให้ทดลองตายด้วยตัวเองได้คุณจะทราบนิยามของการตายดีว่า คือการตายอย่างมีสติตายไปพร้อมกับความสว่างอันเป็นเรื่องรู้อยู่ภายในไม่เกี่ยวกับภาพภายนอกที่ใครเห็นการตายอย่างมีสติมีความสว่างแบบพุทธคือการตายแบบไม่กลัวคือการตายโดยไม่อะไรคือการตายอย่างรู้ว่าตัวที่ตายไม่ใช่ตนคือการตายยัยงผู้ไม่ต้องเกิดให้เป็นทุกรอบใหม่ทั้งพระพุทธเจ้า ทั้งครูบาอาจารย์ร่วมสมัยต่างยืนยันว่าแม้ยังไม่ได้มรรคผลระหว่างมีชีวิตก็มีสิทธิบรรลุได้ขณะใกล้จิต ด, ดับขอเพียงอยู่เป็นอยู่ยังมีสติแบบพุทธจนเชี่ยวชาญเอาเวลาในชีวิตไปฝึกกันหลายๆปีฝึกจนเกิดมุมมองภายในเห็นลมหายใจเป็นสายเป็นกายเป็นท่อนๆขยับพับไปมาเห็นว่าที่นึกว่าเป็นเรา ที่แท้ไม่ใช่เรามันต่างไปไม่ใช่ตัวเดิมเห็นอยู่ทนโทษผู้สามารถระลึกได้แบบพุทธเห็นว่าความตายจะไม่หยุดแค่ที่คนอื่นตัวเราเองตื่นมาเช้านี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายหายใจได้ไม่รู้อีกอกี่ครั้งเอาแน่ไม่ได้ว่าคืนนี้จะได้หลับตานอนตามปกติอีกหรือเปล่าอาจหลับตาตายตามเข้าไป ด้วโรคปัจจุบันทันด่วนเฉียบพลันเฉพาะตนก็ได้อย่างนี้ได้ชื่อว่ามีจิตสังวร อ, อยู่ในความไม่ประมาทมีมรณะสติเป็นเรื่องตั้งจิตแล้วฝึกตายดีแบบพุทธคือฝึกใช้ชีวิตอย่างมีสติแบบพุทธ